เห็นได้เป็นจอะไรรีบเป็นไปเลยเหนื่อยไหมกะสงก็เหนื่อยไห ม, หไหมปฏิบัติต้าททำเครืเครียดหรืององ ห, หันอนไปจาดไปยุ่งอะไรเรื่องของกายหรือของใจไม่มีใครบับงคับเรา เราอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปคิดให้มันเตินสมองจะกินยังไงจะนอนยังไงมีคนจัดให้เราอยู่แล้วแล้วก็มีอาจารย์ทำสอนอยู่เสมเ อ, อเพื่อให้ใสะดวกในการกระทําไม่ต้องส่มหามา ไปเครียบไปเพ่งไปกี้ไปอดข้าวอดน้ำอดลับอดนอนทำไมกินข้าวไออิม่มนอนอิม่มพักผ่อนพอสมควรการพักผ่อนก็ไม่ชื่อว่าเสียสติสติเป็นโอกาสที่มีได้ทุก ทุกอย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ไหนก็เป็นเวลาเจริญสติทั้งนั้นไม่เหมือนกับไปทำอย่างอื่นไปทำ อ, อื่นต้องมีเวลามีนัดอะไรนี่ไม่มีนัดอะไรตัวเองทำเองสิ่งที่เราเห็นก็เห็น เห็นถูกเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นรู้เห็นไม่รู้เห็นเหนื่อยเห็นหิวเห็นปวดเห็นเมื่อยมันก็เรื่องเท่านี้เองเรื่องส่วนตัวส่วนตัวของเราไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วก็รู้เอารู้เอาประสบการณ์กับความหลงประสบการณ์กับความรู้ประสบการณ์กับความผิดประสบการณ์กับความถูก มอประสบการณ์กบคนทุกไปจบการกวาความุบอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับายกับใจเราแปดหืนสีพันอย่างเข้าแถวมาให้เราดูสบายสบายปฏิบัติทําน่ยันนี้มีอาจารย์กำพลเป็นคนที่ ทุกที่สุดในโลกก็ว่าได้นอนอยู่สาิกว่าปีเพื่อ น, นไปไม่ได้ก็เป็นนักสอนธรรมะเดินทางมาถึงวัดของเราที่นี่เ็เป็นวัดของท่านทัน้งหลายแต่ท่านไปสอนทั่วไปจาลวงเพื่อนคุณธรรมไม่ผ่อยท่านเลยจับไปสอนีนนนท์ที่นี่ใน วันนี้ก็จทางมาถึงขอเจออาจารย์กระปุมาพบกับพวกเราที่ดีบริขอทางมาตรงนี้เดินไม่ได้นะดูเดินไม่ได้หา um, ีปวดหาีบริถ้าจะทุกข uh, ์ก็ทุกข์กว่าใครในโลกเลย อ่าเชื่อใจกันแบบนั้นเดี๋ยวนี้ ปราบนมัสการหลวงพ่อคำเขียนและพระคุณเจ้าที่กรรพบอย่างสูงและสวัสดีญาติธรรมนักปฏิบัติธรรมผู้มีเกียรติที่กรรโรลักทุกท่านก็วันนี้รู้สึกยินดีมากที่ผมจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาเป็นกัลยาณมิตร มาพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจเพื่อการดำเนินชีวิตด้วยธรรมะและการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนั่งตามสบายนะ <c oughs> <c oughs> เองก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาวัดป่าสุขโต หลายครั้งหลายคราโอกาสบีมันไม่อำนวยเนี่ยครั้งสุดท้ายนีย้ก็ตั้งใจว่าจะมาวันที่หนึ่งแต่ก็มาไม่ได้เลื่อนมาจนถึงวันที่ห้า๋ยวจะมากราบลุงพ่อแล้วก็ทาบว่ามีญาติธรรมมาอยู่ปฏิบัติธรรมกันที่นี่นก็อยากจะมาพบมาเป็นเพื่อน ก็มีโอกาสได้มาจริงๆบางครั้งเนี่ยเราคิดนึกว่าเราจะทำอะไรเนี่ยบางทีไม่ได้อยใจเราคิดแต่บางทีเราไม่ได้คิดหรอกพอเหตุปัจจัยมันพร้อมเข้าเนี่ยมันก็ได้ดังที่เราหวังได้เหมือนกันนะใครเลยจะทราบว่าแต่ก่อนนู้นที่ผม ประสบเคราะห์ร้ายอุบัติเหตุใหม่ๆทำไมจึงชีวิตจึงเปลี่ยนมาปัจจุบันนี้จึงไม่เหมือนกันดูแล้วไม่น่าจะรอดมาได้น่าจะตายแต่ในสระายน้ำแต่ทำไมมันจึงรอดมาได้ถึงวันนี้เพราะว่าความไม่แน่นอนของชีวิต ธรรมดาของทุกๆคนแล้วเนี่ยไม่มีอะไรคงที่มีแต่การเปลี่ยนแปลงมีมืดก็มีสวามีกลางคืนก็มีกลางวันมีทุกก็ไม่มีทุกได้เหมือนกันใช่ไหมความแม่นแน่นอนของชีวิตไม่ใช่ว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะเศร้าหมองมืดดำเสมอไปหรอกชีวิตมีด้านที่สว่างเมกัน มีได้ดีสว่างจากทุกเป็นตุกได้เหมือนกันบางครั้งเราอาจจะผิดพลาดไปบ้างแต่มันก็ยังมีโอกาสที่จะแก้ตัวใหม่ได้เพราะฉะนั้นญาติธรรมเมื่อเจอปัญหาชีวิตพบกับความทุกข์กับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อย่าเพิ่งท้อแท้ใจยังมีโอกาส อันดับแรกเนี่เราต้องรู้จักอดทนอดทนไว้ก่อนเป็นลูกพระสูทนไว้ก่อนเ <c oughs> ม่ออดทนแล้วเนี่ยต้องตั้งสติให้ได้รู้จักยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอดทนตั้งสติยอมรับ อันนี้เป็นกระบวนํานะแล้วก็รู้จักคิดคิดไปทางที่มันมีโอกาสเป็นไปได้อย่าคิดไปทางที่เลวร้ายหรือเป็นทุกข์มันจะเป็นการซ้าเติมตัวเองคนเราเวลามีปัญหาเนี่ยมักจะคิดไปทางที่เป็นลบเสมอทำไมถึงต้องเป็นเราเราไม่น่าเป็นอย่างนั้นไม่น่าเป็นอย่างนี้ รู้นี่อย่างนั้นก็ดีรู้นี่อย่างนั้นก็ดีคิดแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหามันเป็นการสร้างปัญหาทำไมเราจึงไม่คิดว่าไม่เป็นไรตอนนี้เราอาจจะเป็นอย่างนี้ไปก่อนต่อไปนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเรายังมีโอกาสที่จะมีความสุขได้เรายังมีโอกาสที่จะออกจากปัญหานี้ได้ขอให้ใช้เวลาสักหน่อยรอเวลาสักหน่อย เราคิดแบบนี้ดูบ้างเลแล้วปัญหาก็จะถูกคลี่คลายแม้แต่แม้ว่าปัญหาอาจจะยังแก้ไขไม่ได้แต่ใจเราเนี่ยมันออกจากปัญหาแล้วเห็นไหมอย่างเมื่อกี้ส่วดเนี่ยมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสําเร็จแล้วด้วยใจไหมถ้าใจดีเนี่ยอะไรๆมันก็ดีทั้งนั้นแต่ว่าเราจะคิดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องลงมือไปดิบั ลงมือปฏิบัติเมื่อมีปัญหาให้หันหน้ามาปฏิบัติธรรมมันเป็นยาที่ถูกกับโรคโรคความทุกข์มันต้องเจอธรรมโอสถเดี๋ยวนี้เ็ามีแพทย์หลายทางนะแพทย์แผนปัจจุบันก็ผ่าตัดกันไปแพทย์ทางเลือกก็บีบนวดกันไหมลดน้ำมนต์พ่นน้ำหมาก สารพัดอย่างยาต้มยาดองแพทย์ทางเลือกแต่ว่าแพทย์แผนปัจจุบันก็ดีแพทย์ทางเลือกก็ดียังสู้แพทย์ทางรอดไม่ได้แพทย์ทางรอดเนี่ยอาศัยธรรมะโอสถคือการปฏิบัติธรรมมันตัดรากถอนโคนของความทุกข์ไปเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ย คือการมาศึกษาชีวิตคือการมาดูตัวเองมันเรียนรู้ชีวิตอย่างตอนนี้ญาติธรรมกําำกำลังมาศึกษาชีวิตนะมาดูตัวเองมารู้เรื่องตัวเองชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาต่อสู้เห็น <c oughs> ไหมใครต่อสู้กับชีวิตบ้างต่อสู้กับชีวิตนี่มันต่อสู้ง่าย เอาเชือกพันคอก็ชนะแล้วชีวิตไม่ใช่เรื่อง่ต่อสู้ข่าฟันนชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องอะไรเป็นเครื่องมือเรียนรู้ชีวิตก็คือสติเนีย่ยตอนนี้ทุกคนเนี่ยกาลังมาศึกษาชีวิตมาเรียนรู้ชีวิต อ ส, สติเป็นผู้จริงศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาที่เราเห็นมาเนี่ยล้วนเป็นธรรมะที่เราเรียนรู้ทางนั้นเลยเรามาปฏิบัติธรรมเนเรามาเจริญสติมาสร้างเครื่องมือที่จะศึกษาตัวเองเราจะเห็นหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรา สิ่งที่เกิดขึ้กับกายกับใจเราเนี่ยล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นเลยอย่างเช่นร่างกายเนี่ยมันมีอาการหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือความเป็นทุกข์ทางกายทุกข์กายบางทีเข้ามาสอบอารมณ์เรานะมาสอบจิตสอบใจเราว่าเราจะเป็นทุกข์กับมันไหมร่างกายเนี่ย เขามาสอบสวนมาให้เราดูมาให้เรามีสติแล้วก็แก้ปัญหาเป็นการฝึกแก้ปัญหาตัวเองกายเป็นทุกข์ความปวดความเมื่อยความหิวความเหนื่อยล้าอ่อนแรงไหนใครไม่มีบ้างถ้ากายไม่มีปวดไม่เมื่อยนี่ มันก็คือท่อนไม้ท่อนฟืนดีๆน่เองอเราจะรู้สึกว่ามันอ๋อมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บอันนี้เป็นธรรมชาติของกายอาจจะเกิดจากหลายสายเหตุอาจจะเดินนานเกินไปยกมือนานเกินไปก็ย่อมปวดย่อมเมื่อยเป็นเรื่องธรรมดาบางท่านเป็นผู้สูงอายุมันก็ต้องมีอาการแบบนั้น บาทีการปฏิบัติเนี่ยเราเพ่งเราจ้องเราตั้งใจจนเกินไปเมื่อเลยเกิดความเครียดทางกายบาทีปวดต้นคอมีไหมปวดต้นคอปวดศีรษะบาทีตาเราเนี่ยแข็งเจิญสติเนี่ยมองจุดใดจุดหนึ่งตามันก็เครียดนะแล้วเวลาปฏิบัติเนี่ยกับพี่ตา มองซ้ายมองขวาใช่อย่าไปเพ่งอย่าไปเกรงมันทำให้ร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเครียดแต่ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่ผิดถ้าร่างกายเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยให้เรามีสติรู้มันไม่ใช่จิตใจหรอกจิตอยาไปเป็นทุกข์กับร่างกายเห็นกายมันทุกข์จิตเป็นผู้รู้ฉะนั้น อันนี้ไม่ธรรมดานะแยกกายแยกกิตแยกรูปแยกนามเห็นทุกข์ของกายนั่นดีเห็นทุกข์เท่ากับเห็นธรรมะนะมันจะแยกสตินี่จะทำที่แยกกายเป็นทุกข์ใจไม่ต้องเป็นทุกข์เห็นอย่างนั้นไหมอย่าเข้าไปเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้เห็นทุกข์ลาออกจากความทุกข์ใจจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ ลาออกจากความพิการได้ก็ตรงนี้นะนร่างกายก็พิการไปจิตใจก็เป็นเพียงแก้ผู้ดูผู้รู้แล้วก็มีสติแก้ปัญหากายมันปวดมันเมื่อยก็เปลี่ยนยาบวดซะโดยอาศัยสติรู้อย่างนี้ก็หมดปัญหาไม่ต้องเป็นทุกข์กับกายฝึกเอาไว้เพราะทุกคนเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องความทุกข์กายบางคืนบางวันอาจจะต้องเป็นนอนในห้อง ICU คนเดียวก็ได้ เราไม่มีสติช่วยจิตแล้วก็จิตก็จะเป็นทุกข์เมื่อร่างกายก็เป็นทุกข์อันนี้เรื่องของกายก็ไม่เป็นไรนะทำหน้าที่เรียนยาบทอย่างมีสติบางทีมันก็ง่วงนอนเกิดความง่วงนอนอันนี้ก็เป็นธรรมะความง่วงนอนเป็นธรรมะไนหะแต่เราให้รู้เท่าทัน เปลี่ยนยาบทลุกขึ้นเดินจงกรมด้วยสติเราลุกได้แล้วก็ลุกเดินจงกรมเปลี่ยนยาบทซะผมเองนี่นอนจเจริญสติลุกไม่ได้ต้องนอนจมอยู่ความง่วงอยากจะลุกไปเปลี่ยนยาบ ท, เ พ, เ, าบทเพื่อเดินจงกรมให้มันหายง่วงก็ลุกไม่ได้ ย, ยาบททั้งหลายก็มีแค่นอนกับนั่ง นั่งวันละสี่ชั่วโมงนอนสะ2ยี่สบชั่วโมงไม่ใช่นอนหลับคือชีวิตเนี่ยจะนั่งได้ไม่นานหายใจก็ลําบากนอนอยู่กับความม่วงด้วยจิตใจที่ไม่ง่วงมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราไม่ยอมแพ้นี่ความง่วงทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะขึ้น อ, อยู่ที่ใจเราก็รู้ซะ แล้วก็มีสติแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนยาบทไปเดินจงกรมเห็นมมันก็แก้ไขความง่วงได้ง่วงใจไม่ต้องเป็นทุกข์ความง่วงอาจเกิดจากว่าเรานอนไม่หลับก็ได้กลางคืนนอนไม่หลับแต่กลางวันก็ง่วงนอนเป็นอย่างนั้นไหมบางทีมันอาจจะมีอาการอ่อนเพลียมีโรคไยไข้เจ็บบางทีทานอาหารมากเกินไป ทานกลางวันได้เยอะกล <ๆ S 1> ัวจะหิวตอนเย็นๆ <c oughs> มันก็ทาให้ง่วงบางทีความง่วงเกิดจากจิตที่มันสงบก็ได้จิตที่สงบนมันทำให้เกิดความง่วงได้ถ้าเราขาดสติเพราะนั้นไม่เป็นไรนะง่วงกว็ดีดีกว่าฟุ้งซ่าน <c oughs> ฟุ้งซ่านนี่มันเครียดนะฟุ้งซ่านนี่นอนไม่หลับ ท่า ง, ง่วงนี่ยังจิตใจยังสบายสบย ก, ก็เปลี่ยนยาหมดไปบาทีมันเกิดความคิดความคิดเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเรารู้กายเคลื่อนไหวแต่เราเผลอไปปล่อยให้จิตใจมันคิดทิ้งปัจจุบันไปปฏิบัติไปนี่มันจะได้อะไรเนอะนี่ก็5วันแล้ว อีกสองวันจะกลับบ้านมันก็ปรุงแต่งโดยขาดสติแต่ถ้าเรามีสติอ๋อรู้ว่ามันคิดไม่เป็นไรวางความคิดซะกลับมารู้กายเคลื่อนไหวก็พ้นจากความคิดอยู่กับปัจจุบันคือความคิดเนี่ยถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งต่อเติมแล้วก็มันไม่ยาวเดี๋ยวมันก็ดับเพราะเป็นของเกิ ด, ด เมื่อยก็ดีปวดก็ดีง่วงก็ดีคิดก็ดีเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยมันเกิดขึ้นในตัวเราทนั้นเราก็อย่าปฏิเสธให้รู้เอาไว้รู้เอาไว้ถ้ามีสติแล้วเนี่ยเวลามันเจออารมณ์ดีมันก็ไม่ดีไปด้วยนะแต่รู้อะ <c oughs> เวลาเจออารมณ์ไม่ดีจิตมันก็ไม่ดีไปด้วยมันก็ไม่ทางไปไม่ดีไปด้วยแต่รู้ไว้เห็นไหะ มันจะไม่ไหลไปทางติดตามหรือต่อต้านจะเป็นเพียงแค่รู้เฉยๆอันเนี้ยสติที่รู้เฉยๆเนี่ยเป็นสติที่แท้จริงไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตเนี่ยเป็นธรรมะทท่นั้นเลยอย่าปฏิเสธเขาไมา่ให้เรารู้หลวงพ่อบอกว่ามันมาแค่แถวให้เราดู เข้าแถวให้เราดูเขาบอกมาเข้าแถว้เราดูเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะคอยดูอย่างเดียวคอยรู้อย่างเดียวเท่านั้นเองรู้แบบใจไม่ต้องเป็นทุกข์อยากให้เราฝึกเอาไว้ฝึกมีสติกับอาการที่มันเกิดขึ้นจากกายจากจิตมีสติรู้ให้ทันแล้วก็แก้ไขด้วยใจที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ การทำกรรมฐานเป็นการเจริญสติเนี่ยเป็นการฝึกแก้ปัญหาเพื่อจะนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะเป็นการฝึกแก้ปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้เพราะว่าทุกท่านเนี่ยก็ต้องกลับไปทำงานทราบว่ามาจากโรงพยาบาลร้ายแห่งงานในโรงพยาบาลเนี่ย ทั้งหนักทั้งเกลียดเจ้ว่าไว้แล้วเหมือนพบภูมิหนึ่งก็ได้คนที่เข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยไม่ค่อยยินยามแจ่มใสคนไข้หน้าตาเคร่งเกลียดบึง้งตึงมีแต่ทุกขเวทนาญาติคนไข้ก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องคนที่ทํางานกับเรานี่ก็เห็นแก่ตัวเห็นไหมเราต้องกระทบอารมณ์มากมายในโรงพยาบาล หรือในที่ทำงานของเราจะเรียกว่าที่นั่นเป็นสนามอารมณ์ก็ได้เป็นสนามอารมณ์ให้จิตเราลงไปวิ่งเล่นบางทีเราก็ทุกไปด้วยใช่ไหมทุกไปกับงานทุกไปกับคนที่เราร่วมงานด้วยทั้งทั้งที่รู้นะว่าใจเราเป็นทุกข์รู้ว่าใจเราเครียดแต่เราออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้ บางทีเราก็ไม่ชอบอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจเราแต่เราจะทำยังไงที่จะออกจากอารมณ์นี้ได้เห็นออกจากอารมณ์ไม่ได้ยิ่งเครียดหนักไปอีมันทุกข์ครั้งแรกนี่เราก็ทุกข์พออยู่แล้วพยายามไม่บีบบังคับครับไล่ความทุกข์ยิ่งทุกข์หนักไปอีออกจากอารมณ์ไม่ได้แต่เรามีวิธี มีวิธีอย่างเช่นว่าเราไปเจอคนไข้ที่ก็มีความทุกข์เขาโอดโอยหรือพูดจาไม่สุภาพเราจะใช้วิธีการคิดโอ้นี่มันเป็นทุกข์ของเขานะเป็นกรรมของเขาเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราเพียงมีหน้าที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือเขาให้กําลังใจให้ความหวังทำให้เขามีความสุข เพียงเราคิดแบบนี้เราก็สบายใจแต่บางทีเราคิดอย่างเดียวไม่เพียงพอนะคิดแล้วบางทีใจมันก็ไม่น้อ ม, อมก็จะออกจากอารมณ์ไม่ได้เราก็อาศัยวิธีการทำกรรมฐานนี้ความคิดหงุดหงิดความเครียดเกิดจากจิตใจใช่ไห ม, มแล้วก็มีสติรู้มันแล้วก็วางมันซะกลับมารู้กายเคลื่อนไหวที่เราฝึกนี่แหละกดดีนิ้วมือพลิกมือเล่น ดูลมหายใจรู้กายเคลื่อนไหว是是จิตมันจะวางจากอารมณ์ที่มันเครียดกลับมาจับอารมณ์ของกายเคลื่อนไหวมันก็พ้นมาได้ด้วยการทำกรรากรรมฐานเพราะ <Yeah. S 2> ฉะนั้นครูบาอาจารย์จะบอกว่าเวลามันเผลอคิดไปกลับมาตั้งหลักรู้ที่กายเคลื่อนไหวให้ได้是是 <Yeah. S 2> เวลามันเผลอคิดกลับมารู้ที่กายอันนี้เป็นการฝึกวางอารมณ์ ฝึกตรงนี้ชำนาญกำลังยกมือสร้างจังหวะไปมันเผลอคิดก็ปล่อยมาแล้วกลับมารู้กายทำให้ชำนาญเมื่อเราชำนาญแล้วเนี่ยจิตมันจะพัฒนาเข้าสู่ภาวะที่ดู <c oughs> ดูไม่ต้องหนีไปไหนดูกายเคลื่อนไหวเวลามันคิดก็ดูความคิดใช่ <c oughs> ดูความคิดความคิดจับก็มาดูกายเคลื่อนไหวดูเฉยๆเป็นผู้ดูแลไม่เป็นผู้ที่เป็นกายเคลื่อนไหวไม่ได้เป็นผู้ทุกไม่ได้เป็นผู้คิดเป็นผู้ดูผู้เห็นแล้วผู้ดูเนี่ยหลวงพ่อกำกเขียนท่านได้ให้หมัดเด็ดของนักปฏิบัติเอาไว้เป็นหมัดเด็ดของนักปฏิบัติหมัดเด็ดตรงไหนคือตรงที่เป็นผู้ดู ดูกายมันเคลื่อนไหวดูกายมันทุกข์ดูจิตมันคิด <c oughs> เป็นผู้ดูเป็นตำแหน่งที่ดีมากแหน่งที่พ้นภัยอันนี้เป็นหมัดเด็ดเป็นบทสรุปของนักปฏิบัติทั้งหลายก็ได้ <c oughs> คือเป็นผู้ดู <c oughs> ทำตรงนี้ชำนาญแต่ว่าเราจะคิดเอาไม่ได้นะให้เราเริ่มจากการจิตสติเนี่ยง่ายๆอย่างนี้ พนังกงานจิตสตินี่เราอย่าไปเพ่งอย่าไปเอาจริงเอาจริงทำแบบสบายสบายแบบผ่อนคลายนะเคลื่อนไหวมือแต่ละครั้งเนี่ยเคลื่อนไหวแบบผ่อนคลายอย่าไปเกร็งนะกายเคลื่อนไหวแบบผ่อนคลายนะใส่ใจที่จะรู้รู้แบบผ่อนคลายนะนะรู้แบบเบาๆนะไม่ต้องคาดหวังอะไรถ้าคาดหวังนี่มันจะเครียดนะ เคลื่อนไหวแบบผ่อนคลายรู้แบบผ่อนคลายไม่ต้องไปคัดหวางวางจิตวงใจดีๆหมายถึงว่าทำใจสดชื่นรู้แบบสดชื่นเมื่อใจมันดีนี่เวลากระทบอารมณ์มันก็ดีนะกระทบอารมณ์ก็ดีถ้าใจไม่ดีเนี่ยกระทบอารมณ์ก็ไม่ดีใจดีๆสดชื่นน่กระทบอารมณ์ ม, นน ม, มันก็ดีมีแต่ความผ่อนคลาย นะยิ่งทําไปนานๆจะไม่สงสัยนะบางคนสงสัยความรู้สึกตัวเป็นยังไงนาะมันมีประโยชน์อะไรนาะสงสัยไหมโอ้ความรู้สึกตัวเป็นยังไงมันมีประโยชน์อะไรบางคนถามมาด้วยกันหลายคนถามอยู่นั่นแล้วความรู้สึกตัวเป็นยังไง ถามจนบางคนนั่นงเครียดเลยนั่งเครียดเพราะไม่มีคําถามพอเขเลิกถามกัแล้วเนี่ยตัวเองก็สงสยัยเออไอ้ที่เราไม่มีคําถามเนี่ยมันผิดปกติหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามไหมไอ้ที่เราไม่มีคําถามเนี่ยเราผิดปกติหรือเปล่าคือพยายามจะถามให้บรรลุธรรมเลคําถามมีได้แต่ว่า จะพ้นทุกข์ได้เพราะคำถามนี่ไม่ได้เราต้องทำลงไปมัวแต่คิดมัวแต่ถามมันก็ยากถ้าลงมือทำเนี่ยง่ายมากง่ายมากอามีนิทานเซนก็เล่าให้ฟังว่ามีอาจารย์รูปหนึ่งเป็นอาจารย์เซนกับลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็เที่ยวถามอาจารย์ครับความรู้สึกตัวเป็นอย่างไร มันมีประโยชน์อะไรอาจารย์ก็นั่งเฉยไม่รู้ไม่ชีถามอีกอาจารย์ครับความรู้สึกตัวเป็นยังไงมันมีประโยชน์อะไรอาจารย์ก็นั่งเฉยแม้ครั้งที่ถามครั้งที่สามรุสิกก็ถามอาจารย์ครับความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรครับมันมีประโยชน์อะไรอาจารย์ก็ไม่สนใจรู้สิกก็เลยนั่งเผลอจิตใจเมื่อยลอยอาจารย์ก็ค่อยๆ เ, เ, เ, เ, เ, เอามือคลำ ไปคว้ามไม่เลียวหวัวติฟับไปที่หลังลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็หันมาโอ้ผมเข้าใจแล้วครับความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้เองผลคือมันไม่สงสัยแล้วครับมัว <c oughs> แต่ถาม <c oughs> เข้าไม่ถึงนาทีเลยโจต้องอาจารย์ต้องให้ลูกศิษย์โดนไม่เลี้ยวซะบ้างสมัยนี้นี่ ไม่มีอาจารย์เซนถ้าอยากจะได้คำตอบเรื่องความรู้สึกตัวแล้วก็ลองให้อาจารย์ทรงศิลป์เพราะฉะนั้นไปคิดไปถามเนี่ยมันเสียวเวลาบางอย่างนี่คิดยากกว่าทำใช่ไหมคิดยากกว่าทำนะทำนี่มันง่ายกว่าพอพลิกมือรู้สึกเนี่ยจบแล้ว ยกมือรู้สึกก็จบลนะมีความรู้สึกตัวแล้วถ้าโมไปถามเนี่ยไม่ได้คำตอบเราต้องลองมือจะทาผมเองเนี่ชีวิตยอยู่ได้ทุกวันเนี้ยก็เพราะความรู้สึกตัวเลยนะมีธรรมะหล่อเลี้ยงอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะความอยู่ได้ความรู้สึกตัวก็คิดดูเถอะร่างกายที่พิการมาเนิ่นนาน มีแต่ทุกขเวทนาร่างกายัุนี้ไม่สบายนะมีอาการชาทั้งตัวเคลื่อนไหวเฉพาะศาีรษะแล้วก็หัวไหล่นิ้วมือนี่ก็กระดิกไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้จับไมโครโฟนนะเนี่ยไม่ได้จับะเนี่ยเข้าไมโครโฟนยัดไปติดซอก <c oughs> ถ้าขยับมากๆหล่นเลยนิ้วผมขยับขี้เไม่ได้จับไม่ได้ขับทายก็ไม่รู้สึก มีอาการชาทั้งตัวร่างกายส่วนล่างเคลื่อนไหวไม่ได้เอาเข็มแทงก็ไม่เจ็บจะไปไหนก็ต้องมีคนช่วยแม้ตั้งขับถ่ายก็ต้องมีคนช่วยอาบน้าก็ต้องมีคนอาบให้ทุกขเวทนาเนี่ยมีตลอดตอนนี้ก็มีอาการอึดอัดแน่นทอ้อหายใจลำบาก<ม>ใช่ไหมทุกขเวทน า, า, านี่รุนแรงมาก ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีสติจิตใจเราก็ต้องจมแช่อยู่ในทุกทางกายเลยนี่พอมีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยจิตมันไม่ใช่กายเรื่องของกายก็ทุกทรมานไปเรื่องของจิตแค่เป็นผู้ดูผู้รู้ไปเลยไม่ต้องเป็นทุกข์กับกายที่พิการเนี่ยอยู่ได้ด้วยความรู้สึกตัว อ, อันนี้คือส่วนของร่างกายและจิตใจอ่ไจิตใจถ้าไม่มีสติคอยคุ้มครองดูแลมันก็คิดเดิเสรษดายอดีตกั ง, งวลถึงอนาคตสารพัดอ ย, ย่างญาติธรรมเคยอยู่บนเตียงหนึ่งวันโดยที่ไม่ต้องไปไหนไหมรู้สึกอย่างไร <laughs> มุดหิตคนติดเตียงเหมือนคนติดคุกร่างกายก็ไม่มีสลรภาพจิตใจก็ฟุง้งซานอดีตอนาคตเห็นไแต่พอมีสติแล้วเนี่ยจิตมันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันไม่ลอยตามไปกับความคิดเนี่ยชีวิตอยู่ได้ด้วยความรู้สึกตัวจนั้งทุกวันนี้อันนี้เป็นแพทย ทางรอดรอดทางจิตแม้กายใจพิการก็ไม่สำคัญเนี่ยเป็นประโยชน์ของการเจิสติแล้วก็สามารถนำเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันแก้ปัญหาชีวิตได้ด้วยสายการจิสติอันนี้เป็นประโยชน์มีบางท่านเคยมาพูดมาคุย มาพูดคุยแล้วก็ไม่ได้สนใจนะโอ้อาจารย์ครับผ น, นีน่าสงสารนะชีวิตหน้าสงสารก็แค่นั้นแหละแล้วกลับไปจนตั้งตัวเองต้องเป็นทุกข์แล้วแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้บางท่านมาพูดคุยแล้วถามวิธีการเจริญสติ mm hmm. เขาก็ได้อนเอ า, ปาไปปฏิบัติแต่ว่ายังทําได้ไม่จานาน mm hmm. มีวันหนึ่งมีโอกาสขาหักอยู่บนเตียงสเดือนไปไหนไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาล นึกถึงผมก็อ๋ออาจารย์อยู่บนเตียงทำอย่างไรอ๋อนอนพลิกมือเล่นๆผมปฏิบัติแบบพลิกมือนะนอนพลิกมือหงายพลิกมือคว่ำหลวงพ่อคำเขียนท่านแนะนาว่าอยู่ที่นอนอยู่บนเตียงอยู่ที่บ้านไม่ได้มาวัดก็นอนพลิกมือเล่นๆพลิกมือหงายรู้สึกตัวพลิกมือควม่มรู้สึกตัวพลิกมือคว่มพลิกมือหงายยกมือไม่ได้ ยกมือได้ข้างเดียวอีกข้างยกไม่ได้ก็นอนพลิกมือไปวันลาหกเจ็ดชั่วโมงจิตติอยู่เนี่ยนะเคลื่อนไหวก็ไม่ได้อันเนี้เป็นเครื่องอยู่แล้วคนคนนั้นก็เอาไปปฏิบัติตามเขาก็ได้ผลข้าหักสองข้างแต่นอนพลิกมืออยู่บนเตียงก็ได้ผลรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ย เราลองฝึกให้ชำนาญทำให้เป็นแล้วก็นำเอาไปใช้ดูเอาไปใช้ในชีวิตประจำวั น, นนะจะเป็นประโยชน์มากบางท่านอาจจะว่าไม่จำเป็นลอกการปฏิบัติธรรมเ ร, ร, ร, ร, ราเอาไว้ตอนแ ก, แก่ๆก็ได้ค่อยทำเ ร, ร, ราเอาไว้ตอนที่มีความทุกข์มากๆแล้วค่อยทำพ<ข>อถึงเวลานั้นเนี่ยมันจะแก้ไขไม่ทันเรามาฝึกสะกก่อนตั้งใจทำให้ ให้เป็นนะก่อนอย่ารอจนกระทั่งยกมือไม่ไหวหรือเดินไม่ได้อย่างผมแล้วค่อยปฏิบัติเนี่ยบางทีมันจะสายเกินไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทวทูตมาบอกมาเตือนกันด้วยความหวังดีนะอย่าประมาทในชีวิตทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละอย่างน้อยเราก็ฝึกจิตสติเอาไวให้มากๆเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางจิต เวลาเจอปัญหาจะได้หยิบเอามาใช้ได้ทันทีเลยนะเอาละนะนะก็ว่ารู้สึกยินดีอนุโมทนากับญาติธรรมทุกท่านนะที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะเป็นโอกาสดีแล้วอย่าให้พลาดโอกาสนี้ไปบางทีเราอาจจะไม่มีโอกาสมาทำนี้ไปได้นะเอาละก็ยินดีเป็นกัลยาณมิตรกับทุกๆ ท, ท, ท่าน ก็ขออวยพรนะครับเจทําทุกท่านจงมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติมีปัญญารักษากายรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์และก็มีความสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนเธออนุโมทนานะ อาจารย์คำพลทองบุญนุ่มเลยมาพูดให้พวกเราฟังตามสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นติด บ, บา้างถูกบ้างแต่จิตใจได้ลองรับกับอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะ คนพิการมีประสบการณ์จากการปฏิบัติเดินไม่ได้มันพวกเรายกมือก็ไม่ได้เหมือนกับพวกเรานี่จะยกไปยกมาที่มันอัามาพาตไม่เจตนาได้เหมือนใจเราเหมือนเราที่เป็นปกติ แต่ก็มีความเพียร้าจะมีสติได้ดีถามว่าเพื่อนไปไปไหนไปได้นอนอยู่กับที่พวกเราจะคิดไปไหนก็ไปตามก็คิดก็มีบางครั้งอันนี้ไม่ได้ไปเม่ไหรก็ไม่ต้องคิดเดินเมไหก็ไม่ต้องคิดช่วยตัวเอไม่ได้ก็ไม่ต้องคิด มีเตสติน่าจะงอก ง, งามได้ไหวมนคนตาบอดคนตาบอดเนี่ยเขามีส่สัมผัสได้ดีกว่าคนตาดีตีพีดน้อมบ้านมาบ้านของตัวเองได้เขาลำดับรหัสในตัวของเขาคนพิการไหนจะไปดูถูกอาจจะมีอะไรที่มัน ชัดเจนน้อยๆเรื่องะเดินสติเอ้าไม่สติก็มองอะไรเงี้ดีๆเราก็มันเราก็มองเรานเงี้ดีฮะเราไม่เคลื่อนไหวไปมาได้เอ้าเรานี้ก็ก็ต้องทำอะไรดีกว่าคิดเปรียบเทียบลองก็ไปปฏิบัติธรรมก็ลง พ่เนเนอเทียนเอกับหลวงเทียนถามหลวงพ่อเทียนว่าหลวงพ่ออายุเท่าไหร่ปฏิบัติธรรมสบปีตอนนั้นอายุหลงวงพ่อยังไม่ถึง30ปีเอ้าคนอายุสี่ปีแต่คนอายุสส ป, ปีเนี่ยคนอายุสสปีต้องแข็งแรงกว่าใจแจงขนาดไหนคนน่คิด น, นี้คิด น, นี้อ๋อคิดไม่ใช่คิดโทแท้ ชีวิตของเราเนะี่ยถ้าเราทำความเห็นเกี่ยวกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในกำมือของเราบ้างอาจจะเป็นไปได้นะอย่างพระอน น, น ท, ท์นนนนนเนี่ยเขาจะทำสังเวยนาวันพรุ่งนี้พระอนนท์เป็นผูถุชนแต่ว่าในสงฆ์ขาดพระอนนท์ไมได้ แต่ผู้ที่ทําสังขยานาะต้องเงินปน้าหลานตะก่อนก็บอกให้อานอนท์เร่งความเปลี่ยนเท่าอานอนท์ก็มั่นใจว่าจะทําให้ได้ทำให้ได้ตั้งแต่วันข้ามจนแสงเงินแสงทองขึ้นคิดว่าจะทําให้ได้ใจยังคิดอยู่พอแสงเงินแสงทองขึ้น เราก็นั่งมาตลอดเนเราจนแสงเงินแสงทองไม่หลับไม่นอนเลยยืบเสหน่อยก่อนนะอ่าขอเอ็นตัวลงหัวไม่ถึงนอนเลยได้พรรลุธรรมไปเวลาคุมอยู่ไม่ได้รู้อเอาให้ด้ยเอาให้ได้เอาให้ได้ไดไดนะเป็นอย่างนั้นนะแต่พอละวางใจนี่ นอนซะหน่อยกันนาเงียบซะหน่อยนะวางใจพระอานนท์บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไม่มีรีบถ้าจะว่านอนก็ไม่ใช่จะไปนั่งก็ไ่ใช่ครึ่งนั่งครึ่งนอนเลยจะเดียวบางทีนอกรูปแบบก็ได้ปฏิบัติธรรมนะอย่าไปเล่งวิรีดอย่าไปเที่ยวไปเข็นอย่าไปเพ่งีจ้องทำใจทำใจนะ เดินไม่นเนี่ยเดินไม่ได้บางทีเอหูแกงอาแกงหมย่างหะไรสัมบัติที่หูมือเคลื่อนไหก็พึงมาเคลือนไววได้ไม่นานมาแลเนไมได้ก็นั่นเน่เราได้ความจากคนพิการมาแสดงถึงเรื่องของเราจากคนพูดคนเรื่องของธรรมะก็เรื่องของเรา ใครก็เหมือนกันแหล ะ, ะปฏิบัติธรรมเหมือนกันหลง ก, ก็เหมือนกันรู้ ก, ก็เหมือนกันทุกข์ก็เหมือนกันสุขก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เห็นก่อนเราเห็นเรื่องนี้มากที่สุดคือพระพุทธเจ้าพวกเรานี่อาจจะไม่อาจจะไม่มีมากเรื่องไม่มากเหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ต้องรับติดชอบ จะดุ้งภาษาสามดูเคยสุขสบายเครมีดนเตตีสีตีเป่าปอมให้หลับให้นอนพวกเราไม่มีใครปลอมใช่ไหมไม่มีเปิดเพลงฟังเออแค่เพลงอยู่แต่ว่าสีิตถานนี้มีแต่สตีไม่มีหูลเ่ยวบ่นสีสซดีเพลงอะไรต่างตนี่ อาจจะติดอาจจะไปเบิกเพื่อนมากับสิ่งเหล่านั้นคิดไป mm hmm. ก็เราไม่ได้คิดเรื่องของเราคิดว่าของเราของเราคิดไปธรรมดาธรราคนคนนึ่งอย่าไปทุกข์ไปร้อน mm hmm. ปฏิบัติธรรมีเพื่อนเยอะๆนะพระสงฆ์เจ้ากวางกันไปหน้าดำเคพื่มเคียดไปเอาจริงเอาจัง ไม่ดีหรอกผมบะผมก็เคยเคยปสบการณ์เคยได้บทเรียนมาจากการะทำตัวเองสอนตัวเองสอนตัวเองทุกรูปแบบเวลาเราแข่งอาจจะไม่พูดอาวุธชด้ชะดพอไปอินทบาทภระที่ไปด้วยกันชวนพูด เห็นป <S an> ัะ ก, กาศยา่าอยู่ข้างทางเดินข้ามทุม่นาเฮ้ยเจ็บพักเจ็บพักท่านท่านเจ็บพักเจ็บพักเกะกะยะหลวงพ่อพูดว่า <S an> ต้องหยุดเจ็บพักเจ็บพักกัากับเขาเะมีสติไหมมีรู้ว่าท่านเป็นคนไม่มีสติเราไม่สติโอ้ท่านเราลงไปแล้วเนาะไป เห็นผักก็ชิจัดชิ้นผักไปกับความคิดใช่ไ้มเราไ่เราก็เห็นมันเขาแต่เราไม่หลงเลยเราอ้าววันลงขึ้นร่มมมานมาเห็นอยู่หน้าวัดอาจารย์นั่นจะบินถ้าบาดทางไหนถ้าอาจารย์นั่นไปทางบ้านก็เหนเพชรเราไปบ้านปะคูอาจารย์นั่น ไ, บนไปบ้านปะคูเาไปบาดไเหนเพชรท่านเปลี่ยนทิทาง คืออ่อนแอไหมไม่ใช่อ่อนแดเราฝึกตัวเองเราฝึกเติม เ, เติมเเนี่ยเพรา yeah. นะนั่นเนี่ยเอามาเป็นบทเรียนคนเดินทําให้เราหลงเราไม่หลงคนเดินทําให้เรารู่เราก็ได้บทเรียนจากเพื่นอนจากมิตรจะแย่ๆๆประวเลยเพราะนันเนี่ยอะไรก็ตามช่วยโอกาสช่วยโอกาสอย่าเป็นคนได้โอกาสช่วยเอกา โอกาสฟังทนะีไม่ใช่นั่งสัง้นแปลว่าเดินเยอะกอโอกาสอื่นเยอะๆไปเลยอาบนา้ำบางคนในหมอหม า, จานะวจักอยางนครสวรรค์เขาเจิจุดไหบัตรนองอเวลาเข า, เ า, ขานะ้เขาถูตัวเขาลูกเข้าใจธรรมะขะที่อาบนา้ำยุ่งสิบตัวถูตัวไม่ได้คิดไปไหนไม่รีบอนะรอ่างน มีได้เป็นไปได้นะเพราะนั่นเน่ช่วยโอกาสใส่กลมด้วกไปอะไรก็จะน้อยน้อ ย, อ ย, อยก็ยัดีว่าจะเป็นนิสัยนะเนี่ยวันนี้เราได้ฟังอาจารย์มาอนแต่ว่าหลวพ่อเนี่ยก็ดีเป็นเพราะหลวงพ่ อ, อ, พอหรือเปล่าว่าจะลูกเป็นดั่งทีร่นได้ยินได้ย็นะนะแล้วก็มัน ที่การหูเจะแล้วมันตายแต่ตายคืนไปเอาละวันนี้ก็สุมคนเจอและพวกเราจับภาพมันนะ